เรื่องลืมโศกหม่อมชั้นเล็กตัวโปรดของสมเด็จพระประศาทถึงอนิจจกรรมลงสมเด็จพระประศาศรักหม่อมชั้นมากถึงกับโศกาไม่ค่อยห่างจึงให้ทนายให้ไปอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์โตวัดประคังให้ไปเทศดับโศกให้ท่านฟังท่านก็ไปอาราธนาว่าพระนะท่านหัวเจ้าท่า น, หานให้อาราธนาพระเดชพระคุณ ไปแสดงทำแก้โศกให้พนาท่านท่านฟังขอรับกระผมในวันนี้เพนแล้วขอรับกระผมสมเด็จพระพุทธจารย์โตรับว่าเรื่องเทศแก้โศกนั้นฉันยินดีเทศนักจ่ะฉันจะไปจ่ะครั้นถึงเวลาสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็ลงเรือกราบสีไปถึงบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาสีสุริยวงศ์นั่งที่บัญญัติพาสสมเด็จเจ้าพระยา ก็ออกรับสมเด็จพระพุทธจารย์โตปฏิสันฐานแล้วจุดเทียนสมเด็จพระพุทธจารย์โตขึ้นธรร ม, มาทให้ศีลบอกสักการะแล้วถวายพรแล้วเริ่มนิเกบบทเป็นทํานองเศร้าหลักในการชูโชค ว, าว่าตถากลิงคารเททุณ น, นะวิถธพรหมนวาสีชูชโกนามาพระมโนลาจนถึงตัดสอทาสีแปลความว่าตถากาเล ในการเมื่อสมเด็จพระบรมส่อนอชินวง์วิษณุเวทว่าความพระคลังที่สมเด็จพระประสาต์แต่งขึ้นนั้นพอกล่าวถึงกำเนิดชัวโชกของท่านว่าผูกขึ้นใหม่กบคันคมสรรันมากกว่าความพระคลังเพราะแหลนอกแบบต้องคำอยู่เองและแหลเห็นเป็นความจริงเสียด้วยคราวนี้สมเด็จพระประสาตก็ยิ้มเป็นพวกมอ ม, อมเหล่านั้นและคนผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้เด็กทนายข้าราชการฟังเป็นอันมาก ก็พากันยิ้มแป้นทุกคนพอถึงแลขอทานแลทวงทองแล่านางคราวนี้ก็ถึงกับหัวเราะ ก, กันท้องคัดท้องแข็งส่วนสมเด็จเจ้าพระยาเองก็หัวเราะถึงกับออกวาจาว่าสนุกดีจริงคุณนางลัทนายหน้าหอพนักงานเหล่านั้นลืมเกรงสมเด็จพระประสาสนสมเด็จพระประสาทก็ลืมโศกถึงหม่อมเล็กตั้งกองหัวเราะ ก, กิกกากไปทั้งบ้าน เทพไปถึงแลยิ่งแหลเชิญและนำทางแลจบก็จบกันลงท้ายเหนื่อยไปตามกันรุ่งขึ้นที่บ้านนั้นก็พูดลือกันแต่ชูชกสมเด็จเทพฝ่ายสมเด็จพระพราทก็ลืมโศกชักคุยเรื่องความชูชกตรงนั้นผู้นั้นผู้นั้นแต่งไม่มีใครร้องไห้ถึงหม่อมเล็กมานาน